เพราะว่าตลอดทางกว่าจะถึงถนนใหญ่นั้นค่ะทั้งสองข้างทางขนาบไปด้วยคูน้ําซึ่งถ้าหากตัวของคุณพงเองมองไม่เห็นทางแล้วก็เกิดผิดพลาดไปนั่นก็หมายถึงว่าเ้าต้องลงไปจมอยู่ในคลองน้ําข้างทางเป็นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ความลึกของมันจะซักขนาดไหนตัวของคุณพงเองบอกว่าไม่อาจจะรู้ได้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 ซึ่งเป็นเสียงของชายชาราที่ฟังดูอ่อนโยนเมื่อลืมตาขึ้นมานะคะก็ได้พบกับพระภิกษุสงสาถึงสรูปกำลังยืนห้อมล้อมรถของเขาอยู่หลวงพ่อท่านได้เล่าให้คุณพงฟังบอกว่าเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมานี่เองได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นโดยมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินทางโดยรถกระบะไปเที่ยวงานที่ตัวอาเภอแต่เมื่อขับรถมาถึงทางแยกขึ้นถนนใหญ่ปรากฏว่ารถเบรกแตกกระฐานหาัน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 นี่ก็เป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นโดยคุณพงค่ะได้เล่าให้เราฟังอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของคุณเอ็มนะคะบอกว่าเป็นลูกแม่น้ํากลองโดยกําเนิดได้ผจญมากับอาถรรพ์แล้วก็ความลี้ลับต่างๆในลําน้ํากลองมามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่คุณเอ็มเองยังเป็นเด็กอยู่ผู้ใหญ่ก็มักจะเล่าให้ฟังค่ะว่าตามวังน้ําวนซึ่งน้ํามีสีใสเขียวนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกจระเข้แล้วก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของพวกนางเงือกอีกด้วย นางเงือกในความรู้สึกของคนสองฟากฝั่งแม่น้ำสายนี้ก็คือผีน้ำประเภทหนึ่งไม่ใช่นางเงือกที่มีรูปร่างสวยงามแล้วก็มีจิตใจดีอย่างในนิยายหรือว่าการ์ตูนนะคะเท่าที่เคยได้ยินได้ฟังมาเรื่องของผีนางเงือกนั้นเนี่ยดุร้ายมากเพียงแต่ว่าร่างกายของเราไปโดนผมเข้าเท่านั้นเราก็ถึงตายได้เพราะว่าผมของนางเงือกจะดูดเลือดในร่างกายของเราจนซีดตายนะคะ คุณเอ็มบอกว่าจําได้ดีถึงประสบการณ์ในครั้งหนึ่งแม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวอะไรกับตํานานของนางเงือกที่เกินมาแต่มันก็ทําให้เขาเนี่ยต้องพบกับเรื่องราวที่ทําให้รู้สึกหวาดกลัวเป็นที่สุดในชีวิตคุณเอ็มบอกว่าคืนนั้นเขากับเพื่อนถูกลุงนะคะใช้ให้ไปนอนเฝ้าเรือโยงที่จอดลอยลําอยู่ตรงท่าน้ําใกล้กับคุ้งวัดขณะที่เขาเองก็นั่งดูดบุหรี่เพลินๆอยู่นั้น ก็ได้ยินเสียงน้ำดังตูม้มตามขึ้นมาทางท่าใต้เรือเล็กน้อยก็เลยมองไปค่ะเห็นน้ำแตกกระจายเหมือนคนกำลังเล่นน้ำคุณเอ็มมองไปก็เห็นว่าเป็นคนเล่นน้ำจริงๆด้วยนะคะแต่ว่าในใจก็ยังคงคิดว่าเอ๊ะใครกันนะมาเล่นน้ำกลางดึกแบบนี้ ในใจเขาบอกว่าเต็มไปด้วยความสงสัยแล้วก็ความประหลาดใจก็พยายามเพ่งมองก็เห็นคนเล่นน้ำเนี่ยเป็นเด็กอายุคงไม่เกินสิบปีเห็นจะได้ก็เลยร้องถามไปบอกว่าหนูมาเล่นน้ำอะไรเด็กๆดินๆแบบนี้เด็กคนนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่ว่ากลับกวากมือเหมือนกับว่าจะชวนให้คุณเอ็มเนี่ยลงไปเล่นน้าด้วยกัน คุณเอ็มก็เลยตะโกนไล่ให้ขึ้นค่ะแต่ว่าเด็กไม่ยอมฟังยังคงว่ายน้ําเล่นอย่างสนุกสนานคุณเอ็มขี้เกียจห้ามต่อไปก็เลยกลับเข้าไปนั่งดูดบุหรี่ตามเดิมคิดอะไรต่อไปเพลินๆก็ไม่ได้สนใจเด็กคนนั้นอีกแต่ว่าในความรู้สึกของเ้านะคะก็ยังคงคิดนะคะว่า เ, ออเด็กก็คงจะเลิกเล่นน้ําแล้วล่ะแต่ว่าในความเป็นจริงค่ะเด็กคนนี้ยังคงไม่เลิกเล่นน้ํา คุณเอ็มก็ยังคงนั่งดูดบุหรี่ต่อไปได้เครื่องมวนดูเหมือนจะ ง, งีบไปนิดหนึ่งนะคะในระหว่างความรู้สึกเคลิบเคลิมนั่นเองเด็กคนนั้นก็ว่ายน้ํามาเกาะที่ท้ายเรือพร้อมกับตะโกนบอกว่าแกหนาวขอพ้าห่มให้แกหน่อยบอกว่าช่วยหนูด้วยนะหนูหนาวหนูขอพ้าห่มสักผืนสิเป็นเสียงเด็กของผู้หญิงนะคะซึ่งคุณเอ็มบอกว่าได้ยินถนัดชัดเจนพอหันกลับไปมองก็ต้องพบกับภาพที่แสนน่ากลัวที่สุดในชีวิต เพราะว่าใบหน้าของเด็กผู้หญิงคนนั้นบวมโตผิดปกตินะคะคือโตผิดรูปร่างค่ะแล้วก็สีขาวซีดเหมือนกับว่าเป็นศพจมน้ำตายไม่มีผิดเพี้ยนคุณเอ็มร้องตะกน ล, ลั่นด้วยความตกใจส่งผลให้เพื่อนที่นอนอยู่ด้วยกันข้างๆเนี่ยนะคะรีบวิ่งลุกผลุนพลันมาหาคุณเอ็มที่ท้ายเรือพร้อมกับถามด้วยความตกใจไม่แพ้กันแต่ว่าขณะนั้น คุณเมก็ควบคุมสติไม่อยู่แล้วได้แต่บอกออกไปบอกว่าให้เพื่อนเนี่ยกลับขึ้นไปบนท่าน้ําทันใดนั้นเองค่ะคุณผู้ฟังทั้งเพื่อนแล้วก็คุณเอมเองต่างก็ได้ยินเสียงเหมือนคนโดดน้ําดังตูมใหญ่เลยนะคะแต่ว่าเมื่อสองคนเนี่ยหันไปมองกลับพบแต่ความว่างเปล่าท้องน้ํานิ่งสนิทไม่มีร่องรอยกระเพื่อมของน้ําให้เห็นเลยแม้แต่นิดเดียว สองคนเนี่ยก็เลยได้แต่มองหน้ากันโดยไม่พูดอะไรกันสักคำจากนั้นก็เพ่นขึ้นท่าน้ําแล้วก็วิ่งไปยังร้านขายของชําที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ไปพบกับคุณลุงนะคะชื่อคุณลุงเที่ยงค่ะคนขายของชําที่ร้านพอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แกฟังลุงเที่ยงก็มองหน้าของคุณเอ็มแล้วก็เพื่อนคุณเอ็มเนี่ยนิ่งอยู่ครู่หนึ่งพร้อมกับบอกว่า เมื่อสามวันที่แล้วเนี่ยมีเด็กตกน้ำตายตรงท่าใต้ที่เรือของคุณเอ็มจอดอยู่เป็นเด็กหลังตลาดมาเล่นน้ำกัน2คนพี่น้องคนน้องไม่จมแต่ว่าคนพี่เนี่ยจมทั้งๆ ท, ที่น้ำตรงนั้นตื้นนิดเดียวแต่ไปทำอีท่าไหนก็ไม่รู้ก็ยังจมได้พ่อแม่จ้างคนงมคิดว่าศพจะไปลอยไปติดแถวแถวท้ายคุ้งแต่ที่ไหนได้ศพจมอยู่ข้างตลิ่ง คุณเอ็มบอกว่าเท่าที่ผมได้ยินเนี่ยนะขนลุกสู้ทันทีเด็กที่ผมเห็นเล่นน้ำเมื่อคืนเนี่ยคงจะเป็นวิญญาณของคนที่ตายไปแกก็คงจะหนาวนั่นแหละก็เลยว่ายน้ำมาเกาะที่ท้ายเรือบอกว่านะ้านๆะขอพ่อห่มหน่อย ตำนานรักอมะตะของวิญญาณแม่นาคพระขนงผีสาวไทยซึ่งเกาะคดีรักกับพ่อมากสามีสุดสวัสดจนถึงแก่ความตายแล้วก็จำแรงร่างเป็นสาวมาปรณิบัติสามีสุดที่รักระหว่างที่กลับมาบ้านเป็นเรื่องที่เล่าลือกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ กล่าวกันว่าศพของแม่นาคพระขนงนั้นฝังอยู่ที่วัดมหาบุตรตําบลสวนหลวงอําเภอรพระขนงหรือว่าอยู่ในซอยสุขุมวิท77กรุงเทพมหานครโดยวัดมหาบุตรแห่งนี้ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบความเฮี้ยนของวิญญาณรักแม่นาคพระขนงนี้นะคะถึงกับมีผู้สร้างภาพยนตร์นําเรื่องมาผลิตเป็นหนังสร้างความร่ารวยให้กับผู้ผลิตไปหลายราย เมื่อสมัยเป็นเด็กก็จำได้ค่ะว่าครอบครัวได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเวลาหลายปีก็มีโอกาสใช้ชีวิตในวัยเด็กอยู่ที่นั่นจนกระทั่งเรียนจบชั้นประถมต้นจำได้ดีนะคะถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเมื่อภาพยนตร์เรื่องแม่นาคพระขนงไปฉายสู่สายตาแฟนหนังต่างจังหวัดค่ะ เราก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในวิกหนังชื่อดังของเมืองอุดรธานีในครั้งกระโ น, น้นสาเหตุที่ทำให้เราจำได้ติดตา ม, มาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าระหว่างที่หนังเนี่ยกำลังดำเนินไปได้ประมาณครึ่งเรื่องค่ะ เป็นตอนที่ผีแม่นาคพระขนงเนี่ยซึ่งแสดงโดยคุณปรียารุ่งเรืองออกอลวาดกันจ้าละวันพลันก็เกิดเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนสร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้เข้าชมจนแทบจะวิ่งออกจากวิกไม่ทันนะคะเมื่ออยู่ๆค่ะจอหนังก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุถึงแม้จอหนังจะไหม้เพียงเล็กน้อยในตอนนั้น แต่ก็ทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอึงคนึงนะคะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวิญญาณของแม่นาคพระขนงแผงฤทธิ์เนื่องจากว่าก่อนฉายหนังรอบนั้นทางเจ้าของโรงหนังเนี่ยไม่ได้ทําการเส้นสวงดวงวิญญาณของผู้ที่เป็นเจ้าตํานานอันลือเรื่องทั้งที่สมควรจะทําอย่างยิ่งยวดก็ตามการไปชม ภาพยนตร์เรื่องแม่นาคพระขนงครั้งนั้นนะคะก็เลยได้ชื่อว่าเป็นครั้งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตและหลังจากนั้นมาก็ไม่มีแม่นาคพระขนงภาคไหนที่จะทําลายสถิติความน่าสะพรึงกลัวได้เท่าครั้งนั้นอีกเลย ครั้นต่อมานะคะเมื่อเติบโตขึ้นค่ะก็ได้มีโอกาสติดตามชมภาพยนตร์แล้วก็อ่านเรื่องราวความเฮี้ยนของผีแม่นาคพระขนงมาเป็นลําดับจนกระทั่งอ่านพบข้อเขียนของคุณรังสีเทพวรศิลป์ซึ่งได้เล่าเอาไว้นะคะว่าเมื่อครั้งที่คุณสเสน่ห์โกมารชุนคิดจะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้จึงได้เดินทางไปสักการะวิญญาณแม่นาคพระขนงที่วัดมหาบุตรด้วยตนเองแล้วเปิดกล้องถ่ายที่นั่นหนึ่งคัดบริเวณหน้าวัดค่ะ แต่ว่าที่เจ้าตัวไม่ได้ใช้สถานที่ถ่ายจริงที่นั่นไม่ใช่เพราะเหตุผลนะคะที่ว่ากลัวผู้คนจะมามุงดูซึ่งก็ทำให้ผู้สร้างเกิดความยุ่งยากลำบากใจในการถ่ายทำแต่ว่ามีเหตุผลที่เขาไม่ค่อยจะได้เปิดเผยที่ไหนให้ใครทราบมาก่อนก็คือเรื่องราวของความอาถรรพ์ที่เขาได้รับจากดวงวิญญาณซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างสร้างหลายครั้งค่ะ เขาปริปากหลังจากยกกองถ่ายมาใช้บ้านของเพื่อนผู้ใหญ่คนนึ่งที่บางขุนเทียนเป็นสถานที่ถ่ายทาเพราะว่ามีวิญญาณของแม่นาคพระขนงมาขอร้องว่าอย่าใช้สถานที่ถ่ายทาจริงเป็นที่ถ่ายทาเลยผู้อำนวยการสร้างนักแสดงต่างๆไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องเหล่านี้นักนะคะแต่ว่าระหว่างถ่ายทาค่ะแม่นาคก็ แสดงปาฏิหาริย์ให้ผู้สร้างผู้อำนวยการสร้างนะคะแล้วก็ผู้กํากับเนี่ยได้เห็นแล้วก็รวมถึงพนักงานกองถ่ายทุกๆคนเลยนะคะเช่นเมื่อตอนถ่ายแม่นาคพระขนงลุกจากโลงศพซึ่งช่วงนั้นนี่มีการถ่ายทํากันตอนกลางคืนผู้แสดงเป็นปีศาจแม่นาคพระขนงตัวอยู่ในโลงที่ลุกขึ้นมานั้นหาใช่แม่นาคพระขนงปรียารุ่งเรืองไม่เพราะว่าแม่นาคตอนนั้นยังไม่ได้แปลงร่างเป็นหญิงสาวมาหลอกสามี ผู้แสดงเป็นผีคือนายปัญญาปาลวัฒนวิชัยหรือว่าออสอดีตนายกเทศมนตรีจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้แสดงแทนค่ะด้วยฉากกลางคืนการถ่ายต้องใช้ไฟฟ้าช่วยแล้วก็ช่วงนั้นนะคะประมาณปี2503ก็เลยถ่ายทาหนังได้ในระบบ16มิลไฟที่ใช้ในการถ่ายทาก็ใช้ไฟดอกเห็ด ถ่ายครั้งหนึ่งใช้ไฟติดกันเป็นแผงประมาณ40ดวงพอผู้กำกับแสดงสั่งเดินกล้องไฟดอกเห็ดที่ถ่ายทําก็พุ่งไปที่ร่างของผู้แสดงเป็นแม่นาค ก, ก็ค่อยๆระเบิดนะคะทีละดวงถึง3มครั้งเมื่อถ่ายทําใหม่ก็ระเบิดอีกค่ะทําให้ผู้แสดงเนี่ยขนลุกเกลียวตามๆกันผู้มนวยการสร้างและผู้กำกับการแสดงต้องลุกขึ้นมาเส้นวิญ ญ, ญาณแม่นาคพระขนงเป็นหนที่สองการถ่ายทําจึงได้บรรลุสําเร็จลงได้ เมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างเสร็จอาถรรพ์แม่นาคหรือว่าอาถรรพ์สเสน่ห์อะไรก็ไม่ทราบชัดนะคะปริยารุ่งเรืองนางเอกซึ่งแสดงเป็นแม่นาคค่ะก็ได้แต่งงานกับคุณสเสน่ห์แล้วก็อยู่กินกันมานานหลายปีจนมีลูกหนึ่งคนอาถรรพ์ที่ไม่น่าเชื่ออย่างหนึ่งก็คือเมื่อทางวัดยางอยู่เลยวัดมหาบุตรขึ้นไปทางประเวศประมาณ1กิโลเมตรเศษนะคะจะเอาวาดกําลังหาทุนสร้างโบสถ์ก็จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นในวัด ขณะนั้นหนังเรื่องแม่น่ากาลังฮิตค่ะค่าเช่าฉายเฉพาะรอบเดียวคืนละ2 0 0พยังหาหนังมาฉายได้ยากเลยเพราะว่าเป็นหนังทำเงินล้านนะคะดังนั้นการนำหนังมาฉายที่วัดยางจึงต้องนำหนังที่ฉายจากโรงหนังชานเมืองและเลิกรอบดึกๆมาฉายต่อที่วัดอีกหนึ่งกว่าหนังจะมาถึงวัดก็ตีหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ฟัง ขณะที่นําหนังลงเรือหางยาวมาฉายที่วัดยางก็ต้องผ่านวัดมหาบุตรสุสานของแม่นาคพระขนงด้วยนักภาคเช็คเกอร์คนคุมหนังและก็ผู้ที่ร่วมมาในเรือต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าถ้านําหนังนั่งเรือผ่านวัดมหาบุตรแล้วหากเกิดอาถรรพ์อะไรสักอย่างหนึ่งเข้าจะเป็นอย่างไรก็พูดกันเล่นๆไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ว่าในใจของทุกคนที่นั่งมาในเรือต่างก็ภาวนาเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าขออย่าให้มีอะไรเลย พอเรือผ่านวัดมหาบุตรไปยังไม่พ้นดีค่ะปาฏิหาริย์ที่ต่างคุยเอาไว้ก็เข้ามาอีกจนได้เมื่อเครื่องเรือหางยาวที่แล่นมาดีๆไม่มีอะไรสำลักเกิดดับไปเฉยๆซึ่งขณะนั้นก็เป็นเวลาดึกมากแล้วทุกคนกลัวว่าหนังจะไปฉายไม่ทันก็ภาวนาขอให้เครื่องเรือยนต์ติดไว้วด้วยเถิดช่างแก้หมุนเครื่องยนต์เท่าไหร่ก็ไม่ติด จนกระทั่งคุณเสนอโกมารชุนหรือว่าคุณแดงค่ะซึ่งตอนนั้นยังรั้งตำแหน่งเป็นนักพากไม่ได้กินตำแหน่งผู้กำกับการแสดงหนังเหมือนในยุคปัจจุบันนะคะยกมือไหว้วิญญาณของแม่นาคพระขนงนั่นล่ละค่ะนายท้ายเรือหางยาวถึงติดเครื่องยนต์เรือได้ทุกคนหายใจโล่งอก ต่างก็นึกนะคะว่าทั้งหมดนี้น่าจะเป็นเพราะวิญญาณแม่นาคพระขนงอาจจะสําแดงฤทธิ์หรือว่าสําแดงปาฏิหาริย์ให้เห็นค่ะว่าตัวของท่านนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่เป็นเพียงตํานานบอกกล่าวเล่าต่อกันมาเท่านั้นซึ่งปัจจุบันนี้ยังคงมีศาลแม่นาคพระขนงตั้งอยู่ในบริเวณวัดมหาบุตรเช่นเดิมผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าต่างเดินทางเข้ามาทําการสักการะกราบไหว้ขอพรมิได้ขาด มีจำนวนไม่น้อยค่ะที่สําเร็จผลสมประสงค์ก็จะนําเครื่องแก้บนนานาประการมาถวายแก่แม่นาคพระขนงซึ่งเชื่อกันค่ะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้เจ้าแม่องค์อื่นๆจากนามที่เคยเรียกขันติดปากว่าแม่นาคพระขนงก็ได้แปลเปลี่ยนมาเป็นย่านาคพระขนงแทนเพื่อให้สอดคล้องกับวันเวลาของตำนานรักอันยิ่งใหญ่และเพริญขวัญที่สุดของเมืองไทยซึ่งค่อยๆผ่านพ้นล่วงเลยไปกับการเวลาค่ะ หมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พระเจอผีด้วยนะคะเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ